ส่วนธรรมะเป็นส่วนสุรอบคือชาคริยานุโยกเนี่ยเป็นฉไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกลางกั้นคือนิวร์เนี่ยนะชำระจิตไม่ให้หินนิวร์หักกลุ่มลมอะ่ะอิรยาบดนี้ก็เกื้อกูลเหมือนกันนะที่จะไม่ให้หนิวร์กลุ่มลมก็ด้วยการเดินการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกลางกั้นคือนิวร์ด้วยการนั่ง การเดินเนี่ยตลอดปฐมยามแห่งราตรีอนย่อมสำเร็จสีหะสายาตเนี่ยนะคือนอนอย่างราชสีโดยนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะใส่ใจถึงสัญญาในความลุกขึ้นะ่ะตลอดมัชิมยามแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกลางกาั้นด้วยการเดินการนั่งตลอดปฐิมยามแห่งราตรีเนี่ยนะแล้วก็ จะลึกถึงพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนถึงพัทเทกรัตสูตรเนี่ยนะถึงความอยู่แห่งบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญว่าบุคคลเนี่ยน ะ, ะผู้ไม่ควรกระนั้นนะอัจเชวกิจมาตัพังโคนชัญญามรณงสุเวเนี่ยนะนหิสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเนี่ย คือความเพียรควรทําในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนี่นะเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบกล่าวสรรเสริญว่าผู้ที่มีปกติอยู่อย่างนี้เนี่ยประพฤติอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญในพัทเทกรัตสูตรเนี่ยนะเป็นคาถาเลย ัผู้ที่ละลึกถึงพระสูตรนี้บ่อยๆก็จะประพฤติในธรรมเป็นที่สุดรอบคือชาคริยานุโยกในภายในย่อมไม่ทําลายชาคริยานุโยกอันเป็นเขตแดนนี้ชื่อว่าธรรมะเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยกนั่นะเพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีสติเจริญสติประฐานสอย่างนี้ประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบสี่ประการคือหนึ่งสีลสังวรสองอินทรีย์สังบอนสาโภชเนมตันโยตา สี่ชาคริยานุโยกเนี่ยนะมันก็ประพฤติคุณธรรมสประการนี่เพื่อเจริญสติปัฏฐานนั่นเองนี้ต่อไปก็บอกว่ า, ส, าสัมผัสตัวเหลือบไตตอมสัตว์เลื้อยคลานแมลงวันทั้งหมดนี่ก็ก็ไม่ต้องกลัวนี่นะเขาบอกว่าแมลงมีตาเหลืองชื่อว่าเหลือบเนี่ยนะสัตว์ย่อมไตตอมเหตุไรแมลงทั้งวันทั้งปวงเนี่ยนะ เหตุไรมแมลงวันแม้ทั้งปวงจึงเรียกว่าสัตว์ไต่ตอมเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นย่อมบินตอมกัดกินเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ไต่ตอมงูทั้งหลายเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะตัวเหลือบไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหวาดระแวงถึงทุกภัยกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นคําว่าภัสสะแต่มนุษย์เนี่ยนะและภัยแต่สัตว์สีท้าความว่าพวกโจร คนที่ทํากรรมชั่วหรือคนที่เตรียมทํากรรมชั่วเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสแต่มนุษย์มนุษย์เหล่านั้นพึงถามปัญหาบ้างพึงยกวาทะกับพิสูจบ้างพึงดา่าค้นว่าแช่งเสียดสีเบียดเบียน ย, ย่ํายีกดขี่คมเหงฆ่าเข้าไปฆ่าหรือทําความพยายามฆ่าความกระทบกระทั่งจากมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าสัมผัสแต่มนุษย์เนี่ยนะก็มนุษย์นี่เขาไม่ได้มีเมตตากับเรา ทุกคนใช่ไหมแต่ละคนเขาก็จะคี้อย่างหนึ่งคําว่าภัยแต่รรสัตว์สี่เท้าความว่าพวกราชจะสีเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวมา้าป่าโครกระบือช้างสัตว์สีรรส่เท้าเหล่านั้นพึงย่ำยีกัดกินเบียดเบียนรังแกกดขี่ข่มเหงฆ่าเข้าไปฆ่าทําความพยายามฆ่าภิกษุความกระทบกระทั่งแต่สัตว์สี่เท้ายัางใดอย่างหนึ่งชื่อว่าภัยแต่สัตว์สี่เท้า ก็ถามว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างไม่เดือดร้อนนะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างไม่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับคนชั่วมันก็มีภัยจากคนชั่วย่างไงเละเกี่ยวข้องกับสัตว์ร้ายมันก็มีภัยมาจากสัตว์ร้ายเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าสัมผัสแต่มนุษย์และภัยแต่สัตว์4ี่เท้าสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าภิกษุผู้เป็นทีรชนมีสติประพฤติในธรรมะส่วนสุดรอบ ไม่พึงกลัวภัย5ประการคือตัวเลือบสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานสัมผัสแต่มนุษย์และภัยสัตว์สีเท้าภัยจากสัตว์สีเท้าเนี่ยนะนผู้ที่จะผู้มีปัญญาเจริญสติปัะญาอย่างนี้ก็รักษาธรรมะเป็นที่สุดรอบเนี่ยนะสีอย่างนะศีลหนึ 1, ่งศีลสังวรสองอินทรี 1, สังวรสามโภชเนมตันยุตตาสี่ชาคริยานุโยก อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเลยนะที่สำคัญมากานะต่อไปว่าภิกษุไม่พึงหวาดเสียวแม้ต่อคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่นในลัที่อื่นนี่แหละแม้เห็นอารมณ์อันให้เกิดความขลาดมากของคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่นก็ไม่พึงหวาดเสียวอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้สแสวงหากุศลพึงย่ายีอันตรายอื่นๆคาว่าภิกษุไม่พึงหวาดเสียวแม่ ต่อคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่นแม้เห็นอารมณ์อันให้เกิดความขลาดมากของคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่นนั้นก็ไม่พึงหวาดเสียวความว่าเวนสหธรรมิกเจ็ดคือพิสุภิสุณีอุบาสกอุบาสิกาสัมมาเนสัมมเนริอุบาสกอุบาสิกาคนเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ไม่เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมสายในพระธรรมไม่เลื่อมสายในพระสงฆ์เรียกว่าคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่น ก็คือพวกไม่มีศรัทธานในพระตนะตรายเนี่ยนะคนพวกนั้นถามปัญหาบ้างยกวาทะกับภิกษุบ้างด่าค่อนว่าแช่งเสียดสีเบียดเบียนย่ำยีกดขี่ข่มเหงฆ่าเข้าไปฆ่าทำความพยายามฆ่าภิกษุเห็นหรือได้ยินอารมณ์อันให้เกิดความคลาดเป็นอันมากของคนเหล่านั้นแล้วไม่พึงหวั่นไหวสะทกสะทานไม่พึงสะดุ้งดิ้นรนหวาดเสียวขั้นครั่ ไม่พึงกลัวไม่พึงถึงความสยดสยองคือเป็นผู้ไม่ขลาดไม่ขั้นครา้างไม่หวาดเสียวไม่หนีไปเป็นผู้ละความกลัวละความขาดเสียปราศจากความเป็นผู้มีขนลุกอยู่ แ, แสดงว่าอยามีโทสะนะต้องไม่มีโทสะเมื่ อ, เ ม, อเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนั้นคาว่านหนึ่งพิสูน์ทั้งหลายผู้ตามสแสวงหากุศลพึงย่ายีอันตรายอื่นความว่า อันหนึ่งอันตรายแม่เหล่าอื่นอันพิสูจทั้งหลายพูดตามสแสวงหากุศลพึงย่ำยีครอบงำกดขี่กาจัดขับไล่มีอยู่เชื่อว่าอันตรายก็แบ่งออกเป็นสองนะอันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดอันตรายปรากฏก็คือภัยที่เกิดจากมนุษย์ภัยที่เกิดจากสัตว์ ร, ร้ายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายความเดือดร้อนทั้งหลายแหล่ที่รู้ ร, รกันอยู่เนี่ยนะส่วนอันตรายที่ปกปิดเป็นชื่อของ ทุจริตสนิวณ์ 5. อุปกิเลสบาปอากุศลเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเพราะฉะนั้นผู้ที่สแสวงหากุศลอย่างนี้ก็พึงย่ํายีอันตรายทั้งอันตรายเปิดเผยและอันตรายปกปิดคําว่าพิสูจนทั้งหลายผู้ตามสแสวงหากุศลความว่าอันตรายทั้งหลายอันผู้สแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นค่าสึกความปฏิบัติ เป็นไปตามประโยชน์เนี่ยนะก็คือศีลสังวรเนี่ยนะอินทรีสังวโรโภชเนมตันยุตาชาคุริยานุโยคสติสัมปชัญญะโพธิปัคยธรรม37มสิบเจ็นี่ยนะตลอดจนถึงอริยมรรคมีองค์8นิพานและปฏิปทาให้ถึงเครื่องนิพานเนี่ยเป็นเครื่องให้ถึงพระนิพานเนี่ยพึงย่ำยีครอบงามคมขีกำจัดขับไล่ฉะนั้นอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้สแสวงหากุศลพึงย่ำยีอันตรายอื่น สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าภิกษุไม่พึงหวาดเสียวแม้ต่อคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่นนะะลัทธิอื่นคนที่ไม่นับถือพตัตนาไตรก็ไม่ต้องกลัวว่างงแม้เห็นอารมณ์อันให้เกิดความขลาดมากของคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะอื่นก็ไม่พึงหวาดเสียว น, น, นะก็ไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องวันภัยใดๆทั้งนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าไปเข็นไปฆ่าอะไรเขาหรอกคือยามีโทสะอย่างเดียวเป็นใช้ได้เนี่ย น, นะ พระพุทธศาสนาสันเสริญขันติสังวรเนี่ยนะสันเสริญเรื่องความอดทนเรื่องความไม่กโกรธเรื่องความไม่ลบลู่อันหนึ่งพิสูจทั้งหลายผู้สแสวงหากุศลสแสวงหากุศลก็คือสแสวงหาข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเนี่ยนะพึงย่ายีอันตรายทั้งที่เป็นอันตรายเปิดเผยคือโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นแล้วก็ย่ำยีอันตรายที่ไม่เปิดเผยคือบาปอากุศลทั้งหลาย คถาต่อไปว่าภิกษุถูกภัสสะคือโรคและความหิวกระทบแล้วพึงอดทนความหนาวและความร้อนเนี่ยนะภิกษุนั้นอันภัสสะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการอย่างมากเป็นผู้ไม่เปิดโอกาสพึงทำความบากบัน่นคือความเพียรให้มั่นเข้าไว้คำว่าภิกษุถูกภัสสะคือโรคและความหิวกระทบแล้วความว่าความกระทบคือโรค เรียกว่าผัสสะคือโรคก็คือป่วยนะภิกษุเป็นผู้อันผัสสะคือโรคกระทบถูกต้องตั้งลงครอบงำคือเป็นผู้อันโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายเป็นต้นนะโรคทั้งสริระนั่นแหละหรือสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือ้อยคลานเข้าไปถกระทบเข้าถูกต้องตั้งลงครอบงำไม่ว่าจะเป็น ความอยากกินก็เรียกว่าความหิวพิกษุเป็นผู้อันความหิวกระทบเข้าถูกต้องตั้งลงครอบงาำแล้วอย่งเงปัญหาสะคือโรภคภัยไข้เจ็บความหิวกระทบเนี่ยนะพันธาพึงอดทนเนี่ยนะโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็อดทนนะความหิวความกระหายเข้าครอบงำก็อดทนเนี่ยนะแสดงว่าคุณธรรมของของผู้ที่อดทนอย่างเงี้คือผู้มีศีล ผู้มีศีลเนี่ยมีความอดทนเป็นกาลังเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไม่อดทนเนี่ยนะจะเหลือศีลไม่แล้วเนี่ยนะเขามาด่าว่าเนี่ยนะถ้าเราไม่อดทนอ่ะใครศีลขาดอ่ะของเขาคนไม่มีศีลอยู่แล้วเนี่ยนะนี่ยนะของเราก็ต้องศีลก่อนเนี่ยนะอันความอดทนเนี่ยถ้าไม่อดทนนะโรคบางอย่างมันทําให้เสียศีลอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีคนมาแนะนํำอาก็กินข้าวเย็นซะสิดึกฉันอาหารตอนเย็นสิอย่างนั้นแหละ จะได้รักษาโรคถ้าไม่อดทนก็บางคนก็ถึงกับยอมเสียสีนใช่ไหมโรคหลายๆตัวก็ลักษณะเดียวกันบางทีก็ยอมเสียสินเสียธรรมเนี่ยนะเพื่อรักษาโรคเพราะฉะนั้นโรคภัยเหล่านี้ถ้ากระทบเนี่ยท่านจึงให้อดทนคืออดทนแล้วรักษาสินนะไม่ใช่อดทนแล้วก็เสียสีนนะ่ะหมายถึงอดทนนะอยู่รักษาศีลต่อไปพึงอดทนต่อความหนาวและความร้อนความว่าความหนาวก็ด้วยเหตุ2ประการเนี่ยนะ หนาวด้วยสา ม, มารถอาโปธาตุภายในกําเริบอย่างหนึ่งหนาวด้วยฤดูภายนอกอาโปธาตุภายในกําเริบกระทาให้เย็นเนี่ยนะตัวอยู่ๆมันเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมานะหรือถ้าเป็นภายนอกก็ชัดนะนะหน้าหนาวทุ่งจอเ น, น, น, น, น, นี่ยนะเย็นเนี่ยนะหรือความร้อนเนี่ยนะความร้อนด้วยเหตุ2อย่างคือความร้อนด้วยเตโชธาตุภายในกําเริบนั่งอยู่แล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่างเง้ยนะ หรือความร้อนด้วยสา ม, มารถแห่งฤดูภายนอกอ่นนะในเดือนเนี้นชัด น, นะเมษานี่แหละคําว่าพึงอดทําความอดทนต่อความหนาวและความร้อนความว่าภิกษุพึงเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสแห่งเลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานพึงเป็นผู้มีปกติอดกลั้นต่อถ้อยคําที่เขากล่าวชั่วเข้ามาร้ายและทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในสรีระที่กล้าแข็ง เผ็ดร้อนไม่สบายไม่ชอบใจสามารถนําชีวิตได้เรียกว่าพึงอดทนต่อความหนาวความร้อนดูนะพระพุทธเจ้าน่าจะสอนให้ท่องคาถาใดคาถาหนึ่งใช่ไสอนให้อดทนนาเมื่อรับกระทบโภตาภาเนี่ย ใ, ให้อดทนนะต้องไม่มีโทสะเลยนะเพราะว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยอะโทสะมีกําลังภิกษุนั้นอันผัสสะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างเป็นผู้ไม่เปิดโอกาส ไม่เปิดโอกาสแก่อะไรไม่เปิดโอกาสแก่อกุศลน่ะอธิบายว่าภิกษุนั้นเป็นผู้อันพัสสะคือโรคความหิวความห้าวความร้อนกระทบเข้าถูกต้องตั้งลงครอบงําเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุนั้นอันพัสสะเหล่านั้นกระทบเข้าแล้วคําว่าโดยอาการมากอย่างความว่ากระทบเข้าถูกต้องตั้งลงครอบงําโดยอาการมีชนิดเป็นอันมากบันทัรับกระทบอย่างนั้นแล้วก็ไม่พึงเปิดโอกาสคือไม่เปิดโอกาสแก่การทํากรรม แต่วิญญาณอันสหรคตด้วยพี่สังขาร น, น, นะคือทำยังไงจะปิดกัน้นไม่ให้จิตเป็นกุศลอกุศลต้องกั้นด้วยมรคนะ น, นะะเจาริญอริยมรคนะไม่ให้เรียกว่าตัดกระแสแห่งกรร ม, มวิญญาณซะระดับสูงเลยนะ